ให้ได้ยินเสียงแว่วๆผ่านหูยังจะยากเลยทีนี้ถ้าผ่านหูแล้วทรงจำเอาไว้ได้เอาไปใคร้ครวนเอาไปพิจารณานี่ก็ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าการแสดงธรรมะระดับนี้เป็นการแสดงกาหนดเจาะจงไปที่สภาวะแห่งคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอย่างมาดูวิสัชนาสี่ข้อเนี่ยนะด้วยควาสา ม, มารถแห่งส ม, มะถะวิปัสนาว่า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 สมถานั้นคือสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนก็เราลองมิจฉาวาจาดูสักคำหนึ่งจะรู้ว่าความฟุ้งซ่านเกิดทันทีเลยเนี่ยนไปพูดคำใดคำหนึ่งที่ไม่สมควรจะพูดหรือไปพูดผิดการเข้าหน่อยหนึ่งนะใจนี่ไม่สมถะแล้วนะอุทธจามันกำเริบแทนหรือเราไปทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไปทำอะไรพลาด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 ผู้ใดมากไปด้วยมิจฉากรรมมัตะหรือมีมิจฉากรรมมันตะผู้นั้นก็ฟุ้งซ่านไม่ต้องกล่าวไปใหญ่ถึงมิจฉาอาชีพหรือผู้ที่เกียจคร้านเนี่ยนะผู้ที่เกียจคร้านไม่มีความเพียรบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ด้วยความฟุ้งซ่านคนที่มีสติหลงลืมและเลิอกอะไรก็ไม่ได้พวกนี้ก็ฟุ้งซ่านหรือผู้ที่จิตไม่มั่นคงผู้ที่มีจิตไม่มั่นคงก็มีความ ฟุ้งซ่านมันลักษณะของสมถะนั้นจึงมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะอวิเเคปะอวิเเคโปเนีนย่นยนะนั้นคำว่าสมถะนั้นกว้างศีลก็นับเนื่องในกลุ่มสมถะเพราะว่าผู้ที่รักษาศีน์ดีจะนํามาเสื่งความไม่ฟุ้งซ่านใครที่ฟุ้งซ่านแสดงว่าจะต้องพลาดแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาจนได้ความฟุ้งซ่านจึงบังเกิดขึ้นทบทวนดูเถอะจะรู้ว่าพลาดมาจริงๆเราจึงฟุ้งซ่าน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 ต้องการจะดับไฟที่ลุกชุม่มโดยการใส่ฟืนเข้าไปเพิ่มฟืนปริมาณมากๆไฟจะได้ดับใช่หรือไม่ไม่ใช่เพระองค์จึงบอกว่าขณะที่สมัยฟุง้งซ่านมิใช่สมัยที่จะเจริญธรรมวิทยะสัมโพชฌงมิใช่สมัยที่จะเจริญวิริยะสัมโพชฌงมิใช่สมัยที่จะเจริญปีติสัมโพชฌง น, นี่เพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นมันฟุง้งซ่าน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 ของตัวเองเวลาเจริญเนี่ยนะสำคัญมากเวลาปฏิบัตินี้จะต้องรู้สภาพจิตของตนตามเป็นจริงอันนะรู้ตามเป็นจริงนี้จริงแค่ไหนจริงว่าสมัยนี้ต้องเจริญโพษชงอะไรขณะนี้ต้องเจริญโพษชงอะไรขณะนี้ต้องเจริญปีติสัมโยชงเป็นต้นหรืออย่างไรจะต้องรู้กาละของตนเพราะเพราะพระองค์ตรัสว่าเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามการ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 เหมือนแม่นางนกเนี่ยบินบินข้ามอะไรไปก็ได้บินข้ามบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้แต่อริยมรักไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นธรรมที่กระโดดแบบนั้นไม่ได้มีปีกบินแบบนั้นท่า น, น, น, นอริยมรัครจึงมนะนะีสิกขาโดยลําดับนะนะสิกขาโดยลําดับคืออธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่อสิกขาสามประชมอริยมรัครจ์ิงจะเกิดทีนี้ก่อนที่อริยมรักจะเกิดขึ้นนั้นอธิศีนชื่อว่าเป็น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 เพราะผู้ที่สมาทานศีลเช่นเว้นจากปานาธิบาตมากเท่าใดการเจริญเมตาก็โครจรไปได้เท่านั้นสมมติถ้าเราอย่างคนในห้องเราเนี่ยมานั่งกันอยู่นี้ถ้าเราสมาทานว่าชีวิตของเขาก็จงเป็นชีวิตของเขาขอให้ชีวิตเขามีอายุยืนเราจะไม่เอาชีวิตเขาหรอกเราจะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของเขาขอให้ชีวิตของเขายืนยาวนาน ขอให้ชีวิตของเขาเป็นไปได้ด้วยดีขอให้รักษาชีวิตให้อยู่เป็นสุขเพิดขั้นตอนแรกก็เป็นสมาทานศีลตอนหลังถ้าคิดไปบ่อยๆคิดมากๆก็กลายเป็นเมตตาหวังดีปรารถนาดีให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเมตตก็โครจรไปในอารมณ์ที่เคยเป็นวัตถุแห่งศีลนั่นแหละไง น, น, นะกลายเป็นบุคคลเหล่านั้น่ะที่เราเคยสมาทานศีลก็เป็นบุคคลที่โครจรแห่ง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 จเจริญกรรมฐานโดยอาศัยมีศีลเป็นพื้นมีศีลเป็นบาต ท, ทีนี้ถ้าเมื่อจเจริญกรรมฐานไปแล้วเนี่ยน ะ, จะเจริญศีลสมาทานศีลกรรมฐานโคจรไปเรื่อยใจมันชักย่อท้อแล้วง่วงแล้ทีน้มิทะแทรกขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าต้องประคองจิตที่ยออ่อท้อเพราะจิตย่อท้อเพราะอะไรเพราะขี้เกียจมันเริ่มมีกําลังขึ้น วิริยะไม่เกื้อกูลเลยก็เลยต้องเจริญธรรมะวิจยสัมโพชฌงเจริญวิริยะสัมโพชฌงและเจริญปีติสัมโพชฌงนี้พอเร่งไปเจริญธรรมะวิจัยมากขึ้นเพียรมากขึ้นฟุ้งอีกและกระจิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นพอฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็เหมาะแล้วที่ต้องเจริญปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงเพื่อที่จะสงบระงับดับไม่ให้อุทจกักกัมเรศ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 ไม่ให้เกิดความท้อแท้ไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านแล้วก็แสดงว่าเจริญกรรมฐานเป็นไปได้ด้วยดีทีนี้พอเจริญมากๆเข้าอย่างนี้จิตก็บรุคคุณวิเศษจิตเหล่านั้นก็มีคุณวิเศษเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการอบรมจิตภาวนาจิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจิตอ น, นั้นแหละเป็นจิตที่เป็นตะบะความเพียรก็ความเพียร ก, ก็เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายก็เล่าร้อน คำว่ากิเลสเลา่าร้อนนี่ฟังแล้วมันน่าเศร้าใจนะกิเลสอดรนทนไม่ไหวเสียใจเลยองนี้รือป่าคำว่ากิเลสเลร่าร้อนแปลว่าความเศร้าหมองของจิตก็เลือนหายไปเรื่อยๆถูกกระเทาะออกไปจิตที่เศร้าหมองเนี่ยตัวเศร้าหมองเหมือนกับสนิมที่มันอยู่ในทองพันเมื่อมีความเพียรที่พอเหมาะพอสมเป็นต้นความเศร้าหมองที่อยู่ในจิตก็หายออกไปความเศร้าหมองเหล่านั้นก็ลดลงไป มันจิตก็บริสุทธิ์จิตไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้าหมองจิตก็พ่องแผ้วไปเรื่อยๆเมื่อจิตผ่องแผ้วไปเรื่อย ๆ, อออยๆก็สามารถที่จะแทงตลอดอารยมรักอันประเสริฐได้อันนี้นี้เราพูดลักษณะของธรรมที่ตอนนี้เราเรียนปริญญายธรรมก็จรงิงแต่เป็นการปริธรรมปริญญาให้อารยมรักเกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์ก็คือการเข้าไปวิจัยอารมณ์ทุกอารมณ์ว่าเพื่อต้องการบรรลุอารยมรัก ไม่ได้ต้องการไปติดอยู่ในผมขนเล็บเป็นต้นอะไรหรอกต้องการให้อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีการวิจัยอารมณ์ทั้งหลายด้วยอำนาจปริญญาเป็นต้นเนี่ยจึงต้องออวิจัยเพื่อให้อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นการวิจัยอย่างไรอริมยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องมีการศึกษาตัวสภาวะของจิตสภาวะของความคิดได้เป็นอย่างดีพออริยมรรคเกิดขึ้นก็แทงตลอดอริยสัจใช่ไหมสัจจะพิสมยัยโถสัจจาพิสมัย ถ้าเป็นสมัยผู้ธการเขาเรียกว่าธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แปดหมืนสี่พันอย่างนี้นะพอมีการแสดงธรรมจบธรรมมาพิสมัยก็มีแก่สัตว์ก็คือธรรมมาพิสมัยกับสัจจาพิสมัยนี่อันเดียวกันเพราะว่าอภิสมัยนี่มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือปริญญาพิสมัยปหาณาพิสมัยสัชกาพิสมัยแล้วก็ภาวนาพิสมัยเนั่ยนะก็คือการตรัสรู้อริยสัจด้วยการกําหนดรู้ด้วยการละด้วยการทําให้แจ้งและด้วยการเจริญ ทีนี้พออริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคนั้นเป็นสมาธิมานันตริกันยมาหกหมาเพราะว่าเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นพราออริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็เกิดขึ้นอริยผลก็ตั้งมั่นในพระนิพพานมันจิตตั้งมั่นเฉพาะในนิโรธคือนิพพานด้วยอํานาจอริยผลอริยผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นพระญาพบุคคลก็เข้าพระสมาบัติมีความสุขกับนิพพานที่เป็นบรมสันติเป็นสันติที่ อเป็นความสงบความระ ง, งับอย่างแท้จริงอธิบายเพิ่อมอีกนิดหนึ่งว่าพระสมาบัติย่อมยังบุคคลผู้มีความพร้อมเพียงด้วยพระสมาบัตินั้นให้ตั้งอยู่ในพระนิพพานกล่าวคือนิโรธหมายคือว่าพอเข้าพระสมาบัติได้ก็สบายแล้วนนะสุขเอินยิ่งกว่าการเข้าพระสมาบัติไม่มีสมัยพุทธกาลนั้นท่านอริยะทั้งหลายท่านก็จะเข้าพระสมาบัตินนะฉันเสร็จท่านก็หลีกเร่นไปนั่งอยู่โคนไม้ เจริญสมถะคือผู้ที่เน้นสมถะล้วนจะเข้าฌานผู้ที่เน้นวิปัสสนาล้วนๆจะเข้าพระสมาบัติถ้าเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปก็เข้านิโรธสมาบัตินั้นผู้ที่จะเข้าพระสมาบัติก็เจริญวิปัสสนาก็เข้าพระสมาบัติตามที่ตัวเองกําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นตกตอนเย็นก็จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็หลีกเล้นไปเข้าพระสมาบัติอีกคิดดูว่าพระอริยะสมัยนั้นท่านจะมีความสุขสักพันใดเนีย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 คนที่มีปัญหาความยุ่งเหยิงทางความคิดด้วยอํานาจบาปอากุศลทั้งหลายยุ่งเหยิงด้วยวะตะัตฏะทั้งหลายถ้าสงบประงับดับวัตฏะแล้วจะสงบสุขปานใดพระนใจก็น้อมอนนในพระนิพพานโน้มไปในพระนิพพานเข้าพระสมาบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของพระอริยส า, าวกของสมัยพุทธกาลพระพิสูจน์ทั้งหลายท่านก็หลีกเล้นไปเข้าพระสมาบัติกันทีนี้มาดูอินทรี่ห้าเนี่ยนะอินทรี่ห้า ลักษณะของสัตทินรีคืออะไรอธิมโมกคือน้อมใจเชื่อน้อมไปก็คือน้อมใจเชื่อของสัตทินรีเนี่ยนะสัตทินรีนี่น้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าน้อมใจเชื่อในความเป็นธรรมดีของพระธรรมน้อมใจเชื่อในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาอย่างนี้ก็มีการปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าสัตทินรีดูจากโสตาปฏิยังฆ่าธรรม รายละเอียดของปฏิสัมพันธ์เมีอธีบายอย่างกว้างขวางที่อินทริยกถาอินทรียกถานั่นเองส่วนวิริยินทร์นี้ธรรมชาติที่ประคองไว้ประคองด้วยอำนาจสัมมาประทานคำว่าประคองในที่นี้นี่ไปอะไรไปอุ้มใช่ไหมไปทําไงประคองจะล้มแล้วก็เออค้ำค้ำไว้หน่อยยันยันไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่นะคําว่าประคองในที่นี้เป็นชื่อของอะไรสัมมาประทาน ละบาปอากุศลแล้วก็ พ, อพ่อผูนให้กุศลเนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสตินซีเนี่ยนะธรรมชาติที่ตั้งมั่นอุปทานเนี่ยอุปทานแปล ว, ว่าตั้งมั่นตั้งยังไงตั้งไว้แมกเหมือนกับวางของใช่ไหมตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไว้โดยความเป็นอสุภะตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์ตั้งไว้โดยความเป็นของไม่เที่ยงตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตาเด็ดนะเอ่ อ, อไปสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินซี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 เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเพื่อความพ้นจากกองทุกข์อ à, อินทรีห้าอันใดก็คือภะละห้าอันนั้นนั่นแหละแต่ภะละนี่บอกว่าธรรมชาติที่ไม่ได้หวันไหวเช่นผู้สัตว์ตัวสัทธาภะละเนี่ยไม่หวันไหวในความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาจิตที่ไม่มีศรัทธาเป็นยังไงศรัทธาก็คือกุศลใช่ไหมตรงกันข้ามกับศรัทธาก็คืออกุศลอกุศลที่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 มาทำลายศรัทธาไม่ได้เพราะศรัทธานั้นมีกำลังไม่หวั่นไหวต่อความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาวิทยะล่ะวิทยะก็คือไม่หวั่นไหวเพราะความเจียคร้านถีนามิทะทําอะไรไม่ได้ทําให้ง่วงยังไงใจก็ไม่น้อมไปเพื่อจะง่วงเนี่ยนะไม่มีคําว่าง่วงไม่มีคําว่าเบลเล่เลื่อนลอยไม่มีมีแต่ความตื่นตัวอย่างเต็มที่ทั้งถีนามิทะนี่ไม่ได้กินอัไรกันแท้ไม่หวั่นไหวในถีนามิทะ ส่วนสติพะละนี้ไม่ได้วันไวเพราะความประมาทประมาทนี่เป็นยังไงก็คือการปล่อยจิตไปกับอากุศลทุกชนิดชื่อว่าประมาทเมื่อใดใจเมื่อใดมีการปล่อยใจไปในนิวรณ์เมื่อใดปล่อยใจไปในการมะคุณเมื่อนั้นชื่อว่าประมาทก็คือปล่อยให้อากุศลธรรมเนี่ยนะมันกลุ่มรุมลุกล้าอยู่นั่นแหละนี่เรียกว่าประมาทแล้วมันก็ไม่ยอมให้จิตตุบาทที่เป็นปฏิบักษต่อสตินี้เกิดขึ้น เพราะอากุศลธรรมทุกชนิดชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสติเป็นความประมาทอย่างยิ่งส่วนสมาธิพะละนี่ไม่หวนไหวในอุทจฉาไม่หวนไหวในความฟุ้งซ่านไม่สำรวนว่าเขย่าให้ขุนไม่ได้เหมือนนน่ยไม่มีอะไรมาเขย่าให้คุณได้เพราะอานุภาพของความสงบส่วนปัญญาพะละไม่ได้หวนไหวเพราะอาวิชชาไม่ได้หวนไหวเพราะความเขลาไม่ได้หวนไหวเพราะความหลงงมงาย อวิชานี่ปกปิดความจริงใช่ไหมปกปิดอริยสัจปกปิดอดีตอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทนั้นปัญญาภะปัญญาที่มีกําลังนั้นเหมือนกับแสงสว่างที่มีกําลังความมืดไม่สามารถที่จะปกปิดปกปิดได้เพราะอนุภาพของแสงสว่างที่มีกําลังนะก็าศาสตร์สองเห็นเลยวันนี้ทุกเนี่ยนะแต่มันอวิชามันมีกําลังมากกว่าบอกนี้สบายนี น, นะเพราะ อ, อะไร ก็อวิชามันมีกําลังอ่ะนะปิดด้วยอะไรในโลกนี้มันจะมีตัวที่ปกปิดตัวที่จะทําให้มืดให้บอดเสมอด้วยอวิชาก็าไม่มีก็บอกว่าความโลภเนี่ยนะมีโทษมีโทษน้อยแต่คลายช้าความโกรธมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนี้โทษก็มากมากคลายก็ช้าช้าเนี่ยนะกว่าจะเข้าใจอะไรได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันยอะจริงๆเลยนะโดยเฉพาะคําสอนเนี่ยเอาทุกบรรทัดเหล่านี้เนี่ยนะ กว่าจะเข้าใจได้แต่ละคําแต่ละคํามันยากมันเย็นเหลือเกินเนี่ยนะเพราะวิาวชามันปกปิดมันท่วมทับจนเนี่ยนะก็คิดดูนะอ ว, วิชามันท่วมทับพอเห็นปั๊บเนี่ยถีนะมันแทรกเลยหาอภัยไม่รู้ท่านว่าอะไรของท่านไม่รู้นะโอ้ยมันง่วงวิชาที่อ่านนั่งง่วงที่สุดสมัยแรกๆทําไงด้วยนั่งลอกอย่างเดียวมันง่วงอ่านก็ไม่รู้อ่านไม่รู้จะอ่านให้มันเป็นอะไรว่างั้นอ่านก็อ่านไม่ได้ เห็นก็ง่วงตาก็ลายไปหมดเลยก็เลยมานั่งลอกหลอกหอกไปลอกไปห ล, ลอกมาตัวหนังสือตัวเองก็จะอ่านไม่ออกอีกไม่รู้ลอกอยังไงก็ไม่ทราบไม่ได้คัดลายมือนะหนักๆเข้าเขียนจดหมายก็ชักเขียนไม่ได้แล้วเขาอ่านไม่รู้เรื่องเคยเขียนจดหมายไปขอหนังสือพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะพอดีคนรู้จักกันท่านเลยส่งให้มางั้นถ้าตามจดหมายแล้วไม่ส่งเด็ดขาดลายมือหวยมากกว่านั้น นี่ก็เหมือนการนนเรียนธรรมะแรกๆเลยอย่างเนี้ยนั่งลอกลอกลอกลอกหมดสมุดไปหลายเล่มแต่ว่าลายมือก็หนักกว่าเดิมอีกส่วนต่อไปนะพ่อชองเจ็ดใช่ไหมพ่อชองเจ็ดพ่อชองนี้แปลว่าองค์ของผู้ตรัสรู้หรือองค์ธรรมที่ทําให้พระอริยสาวกสา ม, มารถตรัสรู้ได้อะไรสติสามโพชองไหมสติสามโพ่อชงนี้เป็นยังไงตั้งมั่น นะครัว่าพ่อชองนี้แปลว่าสติที่เป็นองค์ให้ตรัสรู้หรือเป็นองค์ที่ประเสริฐเป็นองค์ที่ดีมันที่ตั้งมั่นแล้วสามารถทำให้พ้นทุกได้นะตั้งมั่นให้พ้นทุกได้มันน่าคิดนะเอแล้วลึกยังไงแล้วบรรลุได้เนี่ยน่าคิดเนี่ยนะตั้งมั่นอย่างไรแล้วตรัสรู้ได้ตั้งมั่นอย่างไงแล้วพ้นทุกตั้งมั่นอย่างไรแล้วพน้ น, วพนจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตาย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 ส่วนธรรมวิจัยก็คือปวิจยะปะวิจยะก็คือเลือกเฟน้นเฟ้นพิจารณาอะไรพิจารณานี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคส่วนวิริยะก็ปาาักกหะใช่ไหมประคองเอาไว้ประคองให้กุศลเนี่ยคือดันกุศลอย่างเดียวว่า ง, งั้นเลิกไม่ได้พราะเลิกเมื่อไหร่ไหมเพราะว่าหันหน้ากลับไปสู่อบายอย่างเง้ยนะเลิกไม่ได้ต้องต่อไปอย่างเดียวนะส่วนปีติสามโพชองก็บอกว่าแผ่ไปแผ่อะไรแผ่ก็คืออิ่ม ก็จริงๆนะถ้าใครอิ่มใจบ่อยๆเนี่ยมันแผ่มีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายก็ไม่กังวนกระวายเพราะปีตินี่ทําจิตตชรูปนะนะท่า น, นเกิดความอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไม่ได้พญามารเขาไปสิงไม่ให้ชาวบ้านใส่บาทรแม้แต่คนเดียวทีนี้พระองค์ก็กลับออกจากหมู่บ้านพญามารก็มาบอกว่านิ่มนไปเถอะเข้าไปใหม่เขาจะใส่บาตร พระองค์บอกไม่เข้าไปแล้วอะ้วจะอยู่ยังไงบอกพระองค์นี่จะแผ่ปีติเหมือนอยู่ด้วยเทพชั้นอภัสระพรหมเช่นั้นเทวพรหมชั้นอภัสระนี่อยู่ด้วยปีติฉนันใ น, นพระองค์ก็จะอยู่ด้วยปีติชันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความเอิบอิ่มทางจิตใจด้วยปีติสัมโพชฌงนั่นแหละส่วนปัจสถานิสัมโพชฌงนั้นเป็นสภาพที่สงบสงบก็คือไม่มีความกังวนกังวายานะร่างกายก็ไม่กังวนกังวายจิตใจก็ไม่ กวนกวายจิตเจตสิกสงบระงับไม่กวนกวายเพราะเป็นธรรมชาติที่เบาอ่อนคล่องควรแก่การงานส่วนสมาธิก็คือไม่ฟุง้งซ่านอุเบกขาสามโพชงก็พิจารณาหาทางไอ้คำ ว, ว่าหาทางในที่นี้หมายถึงเป็นไปได้อย่างดีอย่างสม่ำเสมออ่ะนะไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุง้งซ่านเนี่ยนะปฏิสังขานะบางทีก็แปลว่าเพ่งน ะ, ะเพ่ง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 ก็เหมือนกันนะถ้าอริยะนี you, ่ท่านเป็นอย่างนั้นนะของเราดูว่าแนวโน้มเกือบจะเป็นอริยะได้หรือยังก็ดูว่านี่อ่านพวกนี้ไปแล้วนี่ตื่นเป็นจริงๆเลยโอ้โหนี่มีด้วยโดยคําสอนแบบนี้นะก็แสดงว่ามีแนวโน้มจะเป็นอริยะถ้าเห็นแล้วก็รีลงรีลงมันง่วงด้วยอาหารก็กําลังย่อยพอดีถ้าอย่างนี้ก็พอทําอะไรก็สมาทานเอาใหม่ส่วนองค์มรก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยธรรมชาติที่เห็นใช่ไหมเห็นอะไรเห็นโดยชอบเห็นด้วยดีเห็น ตามเป็นจริงเห็นว่านี้ทุกเนี่ยนทุกขสมุทัยเพราะสัมมาทิฏฐิเห็นดีเห็นถูกต้องเห็นประเสริฐหมายถึงเห็นอริยสัจส่วนสัมมาสังกัปปะนี้อภิโรปณนะก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกยกจิต ด, ด้วยอํานาจเนคขมวิตกยกจิตขึ้นด้วยอํานาจอัพยาปาทาวิตกยกจิต ด, ด้วยอํานาจอวิหิงสาวิตกเนะไม่ใช่ว่ายกจิตก็ว่านะไม่ใช่สักแต่ว่ายกขึ้นลืมตาไม่ใช่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 เพราะฉะนั้นสัมมาวาจาเนี่ยเขาเจึงมีปริฆหะคือถือเอาโดยรอบเพราะั้นเถอะถือเอาโดยรอบพิจรารณาให้ครวญเสียก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยนะเพราะคําพูดที่ดีที่ถูกต้องนั้นต้องไม่ตกไปในมุสาวาตจะต้องไม่ตกไปในส่อเสียดเสียดสีจะต้องไม่ตกไปในคําหยาบจะต้องไม่ตกไปในเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาที่กําหนดกําหนดเพื่อให้เกิดวจีวิรัตสีประการเพื่อให้เกิด อคําพูดที่เป็นคําสัตย์คําจริงนะวาจาสัจจะเพื่อที่จะประกาศอริยสัจจะคําพูดนั้นเป็นคําสัตย์คําจริงเป็นคําพูดที่นะไม่ส่อเสียดไม่เสียดสีเป็นคําพูดที่วิรัตงดเว้นเป็นคําพูดที่ไพเราะเป็นคําพูดที่มีประโยชน์ลักษณะของสัมมาวาจาส่วนสัมมากัมมันตะเนี่ยนะท่านบอกว่าสมุทฐานะบางท่านก็แปลว่าประชุมบางท่านก็ทับศัพท์ว่าสมุทฐาน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 ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาตัวสภาวะมาแจกทีละอย่างทีละอย่างและเอาสรุปสาระแห่งอินทรีย์พระโพชงองค์มรติสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทเลยนะก็คือสรุปเอาตั ว, ต, วตัวโพธิบัฏยธรรมที่เป็นหัวข้อว่าอินทรีย์ทั้งหมดนี้เขาเป็นอธิบดีนะเขาเป็นใหญ่พระทุกพระเนี่ยเขาแน่นอนคือเขาไม่หวั่นไหวในข่าศึกทั้งหลายหรือข่าศึกทําให้เขาหวั่นไหวไม่ได้โพชงนี่นําออกจากปฏิปัติอย่างเดียว โทษชงนี่นําออกจากความหดหู่ความฟุง้งซ่านความหยุดความประมวลมานําออกจากกาลมาสุขขลิกานุโยคนําออกจากอัตตะกิรามัานุโยคนําออกจาก ส, สัตตทิฏฐินาออกจากอเทดเฉททิฏฐิเพราะเขานําออกจากปฏิปัติอย่างเดียวเพราะอริยมรรคบอกอมรรคเนี่ยเหตุให้ถึงนิพพานอย่างเดียวอ carrier, วาาว grammar, ววรบบิยมรรคนี้เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและอริยมรรคเป็นเหตุละมิชขาทิฏฐิละมิชขาวาจามิชากัมมันตะมิชอาชีวะเป็นต้นเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นเหตุ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 ทุกถือเอาจิตโดยอาการที่ไม่เที่ยงถือเอาธรรโดยอาการที่เป็นอนัตตาสามารถสําเร็จกิจละสุขละอะไรละสุภะสัญญาละสุขสัญญาละนิจจสัญญาและละอัตตสัญญาได้เพราะนสติปัฏฐานที่เรียกว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นใน อ, อ, อ, อสุภะในความเป็นทุกข์ความเป็นอนิจจังและอนัตตาขณะเดียวกันก็ยังละวิปลาสทั้งหลายได้อันนั้นเป็นลักษณะของสติปัฏฐาน ส่วนสมมาประธานนี่บอกเริ่มตั้งตั้งความเพียรไว้โดยชอบสมมาประธานปะตัวนั้นแปลว่ากระทําด้วยความเป็นประธานนะนะด้วยภาวะให้สําเร็จประโยชน์สูงสุดพั้นลักษณะของสมมาประธานนั้นนะ่ะจึงเพียรเพื่อละกับเพียรเพื่อเจริญละบาปอากุศลเจริญกุศลรัตธรรมไม่ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสภาวะที่สําเร็จแห่งอิทธิบาทอิทธิบาทนั้นท่านบอกว่า ขณะที่เป็นโลกิยะเบื้องต้นบุปผาคนั้นจะเป็นอธิบดีเช่นฉันทิธิบาทก็คือฉันทาธิปฏิวิริยธิบาทก็คือวิริยาธิปฏิจิตติธิบาทก็คือจิตตาธิปฏิวิมังสิติบาทก็คือวิมังสาธิปติดันั้นในขณะเบื้องต้นเป็นอธิบดีขณะอริยมรรคนั้นทั้งสี่ประการเนี่ยประชุมกัน อ, อิธิบาททั้งสี่นี้จะประชุมกันในขณะอริยมรรค แต่ถ้าเบื้องต้นก็เป็นอธิบดีคือหมายคขาว่าถ้ามีศรัทธาเป็นใหญ่ขณะนั้นก็เป็นฉันทิฏฐิบาทถ้ามีความเพียรเป็นใหญ่ก็เป็นวิริฏฐิบาทถ้าจิตเป็นใหญ่ก็เป็นจิตติฏฐิบาทถ้าปัญญาเป็นใหญ่ก็วิมังสิติบาทก็เจริญสลับคละเคล้ากันไปแต่ขณะที่อริยมรรคเกิดอิดทธิบาททั้งสี่ก็ประชุมกันเนี่ยนะคือเรียกว่าสามัคคีกันส่วน การเจริญอินทรพละโพชงองค์มรสติประฐานสามารถประธานอิทธิบาทเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ให้รู้ความเที่ยงแท้แน่นอนแห่งสัจจะให้รู้จักสัจจะที่จริงแท้ที่มีสภาวะอย่างนั้นเนี่ยนะสภาวะตถาเนี่ยนะตถาบแปลว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นของทุกคืออะไรปีละะเป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นของสมุทัยก็คือนําไปสู่พบใหม่ความเป็นอย่างนั้นของพระนิพพานก็คือนําออกจากทุก ความเป็นเป็นอย่างนั้นของอริยมรรคคืออะไรก็คือนําออกจากกองทุกข์มันถ้าแทงตลอดสัจจะเนี่ยต้องแทงตลอดด้วยอะไรด้วยประโยคะใช่ไหมอริยสัจจะเนี่ยนะที่จะบรรลุ อ, อริยสัจอยู่เฉยๆแล้วมันพุ่งบรรลุขึ้นมาเองพุ่งขึ้นมาเหมือนความดันไหยไม่ใช่แน่นอนนะนะพวกนี้มันต้องเกิดจากประโยคะเกิดจากความภาคเพียรพยายามทีนี้อริยมรรคเกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าประโยคะถ้าระงับประโยคะได้เรียกว่า ปฏิปัสสัท t h ระงับตัวประโยค่าเป็นชื่อของมรติปฏิปัสปฏิปัสัต thi สงบระงับเป็นชื่อของอริยผลเพราะฉะนั้นสงบมรติด้วยผลถ้าแทงตลอดอริยมรติท่าอริยมรติแทงตลอดอริยสัต t h สงบระงับด้วยสามัญญผลทั้งหลายก็พลานังสัจฉิกิริยโถก็คือด้วยการทําให้แจ้งทําให้แจ้งตรงนี้ท่านอธิบายว่าทําให้แจ้งโดยปัจจเวกขณะยานการพิจารณาพระสมาบัติยกเอาพระสมาบัติ ยกเอาพลและจิตนี่มาพิจารณาหรือทําให้แจ้งโดยการได้เฉพาะปฏิลาภเนี่ยนะการได้เฉพาะการเข้าถึงหรือที่เราเรียกว่าบรรลุส่วนพวกนี้เป็นเป็นการแสดงธรรมไปตามลําดับเนี่ยนะว่าเนี่ยคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะถ้าเอาแต่สาระนะถ้าใครบอกโอ้ยเรียนทํำไมเยอะแยะไปหมดนะ่ยฉันจะเอาแต่แก่นสารก็พอเนี่ยเอาคําสอนเหล่าเนี้ยที่เป็นแก่นจริงๆแทบไม่ต้องอธิบายนะเอาแต่เนี่ยสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน่ะ โอ้ oh, ถ้าไม่มีสุตันตะไนไม่มีชาดกไม่มีอะไรมาประกอบนี่ไหวไหมเนาะไม่ไหวแล้วเนาะส่วนองค์ชาเนี่ยนะวิตกตรึกก็คือตรึกคืออะไรตรดลงใช่ไหมไอ้คาว่าตรึกในทีน่นี้ตรึกด้วยอํานาจเนคข ม, มะวิตกอัพยาปาธาวิตกอวิหิงสาวิตกนั่นนะเมื่อตรึกด้วยเนคข ม, มะวิตกเป็นโตานันนั้นเป็นเกสินเป็นอสุภะพอตรึกเข้าไปด้วยอํานาจเนคขมวิอย่างนั้นวิจารณก็ตรวจตรา เมื่อตรวจตาเสร็จปีติก็แผ่ไปสุกก็ไหลมาจิตก็เป็นสมาธิเนี่ยนะวิตกวิจารปีติสุกเอกับตาใช่หเอกคตาก็เกิดขึ้นถ้าหากว่าวิตกนี่จดไปที่อัพยาบาทคือเจริญเมตตาวิจารก็ตรวจตราปีติก็แผ่ไปสุกก็ไหลมาจิตก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตาถ้าหากว่าวิตกนี่จดไปด้วยอำนาจของกรุณาเนี่ยนะอาวิหิงสา วิจาร์ก็ตรวจตราปีติก็เอืบอิ่มปีติก็แผ่ไปเอืบอิ่มเนี่ยนะสุข ก, ก็ไหลมาจิตก็ตั้งมั่นมันก็แล้วแต่ว่าโจดด้วยอํานาจอัพยาปาทะอวิเหิงสาหรืออะไรนะอัพยาปาทะเนคขมมะนะเนคขมมะส่วนปกินกะเนี่ยนะปะกินกะก็คือหมวดธรรมทัท่วไปเช่นว่าอาวัชนะโทเนี่ยนะก็คืออาวัชนะอาวัชนะปกตินี่มีกี่อย่าง สองอย่างเนาะคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะพันอาวัชนะนั้นเป็นธรรมชาติที่คํานึงคํานึงคํานึงก็คิดถึงมันต่างกันยังไงภาษาไทยนี่นพูดยากยากอาวัชนะก็แล้วกันนึกถึงปราเพื่อเอาไงกันเนีเ่ยอนึกนึกคํานึงก็ได้นึกก็ได้นะปกตินี้อาวัชนะเนี่ยนะทั้งสองอย่างคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะ ท่านบอกว่าเป็นการน้อมไปในจิตตสันดานในอารมณ์คือเป็นการออกจากภวังนั่นเองอวชนะทั้งสองตัวเนี่ยนะเพราะมันเป็นตัวเริ่มวิถีจิตปัญจทวาราวัชนะก็ออกจากภวังมโนทวาราวัชนะก็ออกจากภวังเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ตื่นตัวออกจากผวังอนะเตื่นสักทีหนึ่งเลิกหลับแล้วผวังเนี้มีกินบุญเก่าใช่ไหมทันก่อนที่จะเห็นนี่ก็ต้องอวชนะขึ้นมาก่อนก่อนจะได้ยินเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะก็เกิดขึ้น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 รู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภะเป็นต้นส่วนปัญญาปัจานะแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดรู้ยังไง ร, รู้ชัดก็รู้ด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นเองส่วนสัญญาล่ะสัญญาท่านบอกว่าสัญชานะจิตนี้เป็นวิชานะใช่ไหมปัญญานี้เป็นปัจฉานะส่วนสัญญานี้เป็นสัญชานะก็คือตรงนี้นิยมแปลว่าจําได้หรือสำคัญหมายอ่ะนะจําจได้กับสำคัญหมายมันต่างกันยังไงท่านท่านบอกว่า ถ้าเป็นสําคัญหมายเนี่ยก็คือสําคัญหมายว่าสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงก็จําได้ว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงต่างกันเลยมันภาษาไทยมันจึงอธิบายยากเนี่ยนะท่านก็เลยนิยมทับศัพท์บอว่าเออเนี่ยสัญญาก็แล้วกันเพราะคำพีท่านก็บอกสัญญาเป็นยังไงก่อนเนี่ยสาคัญหมายจาหมายว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงแต่สําคัญหมายว่าสีขาวก็เข้าโอทาตกศินอย่างเงี้ย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 ถ้าไม่สําคัญหมายว่าแ ด, แดงแดงแดงแดงจะไปเข้าโลหิตกสินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไอตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากที่จะทําให้เจริญกระสินบริกรรมสําเร็จส่วนเอก เ, เอโกโกัตโถเนี่ยนะก็หมายถึงสภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตัวธรรมเอกที่นี่คือตัวอะไรตัวเอกัคคตาเอกัคคตาเนี่ยมันผุดจริงเนี่ยต่อเมื่อทุติยฌานเกิดนะเอโกที่ภาวะเนี่ยนะ ความที่เอกกัตตาเกิดขึ้นทํากิจของตัวเองได้ดีแท้จริงต้องขณะทุติยะชานเพราะว่าปฐมชาญนี่ถูกอะไรวิตกวิจารณ์เนี่ยตกปิดเอาไว้หมดเลยนะวิตกวิจารนี่ครอบงําหมดเลยตัวเองเลยไม่สามารถที่จะทํากิจได้เท่าเหมือนกับทุติยะชานเพราะทุติยะชานนี้ครอบงําวิตกวิจารณได้เพราะสมาธิในทุติยะชานเอกกัตตาในทุติยะชานจึงเป็นเอโกทิภาวะ เป็นธรรมชาติที่ผุดขึ้นเนี่ยนะผุดขึ้นเด่นเลยนะส่วนยาตะปริญญาเป็นยังไงอภินญายะยาตถโถยาตะแปลว่ารู้ใช่ไหมรู้อะไรรู้สภาว ะ, ร, าวะรู้สภาวะแห่งอภินญานั่นแหละเรียกว่ายาตะปริญญาดังนั้นตัวตัวรู้สภาวะนั่นแหละเป็นลักษณะของยาตะปริญญาคําว่ารู้สภาวะนี่รวมถึงปัจจัยด้วยนะเพราะตัวปัจจัยก็ยังเป็นสภาวะอีกอยู่ดีสภาวะก็ประกาศถึงความ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 แพงแต่ว่าไม่รู้สึกว่าถูกแพงอะไรใช่ไหมกลายเป็นอธิบายเรื่องการมาเทพไปฉีบอีกเลยนะดีใจดีใจใหญ่เลยใช่แทนที่จะบอกโอ้ยนี่เจ็บปวดมากถูกลูกศอนแทงบอกถูกสอนการมาเทพเข้าไปแล้วเลยดีใจใหญ่เลยกันนี้นั่นไปโน่นอีกใช่ไหมก็เลยทุกข์กว่าเก่าเองหลงเพลิดเพลินไปอีกนะส่วนปะหานะท่านบอกว่าปริจาคะบริจาคเนี่ยบริจาคเลยบอเอาแล้วบริจาคบริจาคก็คือธรรมชาติที่สละนั่นเอง หมายถึงว่าเป็นธรรมะที่เป็นค่าศึกนะละสละธรรมที่เป็นค่าศึกด้วยอนานาจของปาหานะปริญญาล่าอะไรเระลาวิปลาสนั่นแหละเลิกเทียนสัทีหนึ่งเลือกบา้าบ้าสัทีหนึ่งบ้าว่าอะไรบ้าว่างามอะนี่เขาบอกว่าการที่รับอารมณ์ว่างามนีนะ่เป็นความบ้าชนิดหนึ่งนะซึ่งมันไม่จริงนะ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 ก็สำคัญว่าตนนี่เป็นคนดีอยู่ใช่ไหมที่ไหนได้ในสายตาของพระพุทธเจ้าบอกวพวกนี้วิปริตใช่ไหมเนี่นยเหมือนกันเขาก็ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไม่งามว่างามเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันเป็นอนัตตาบอกว่าตัวมีอํานาจนะนะคุมได้ดูแลได้ใช่ไหมจริงไหมตอนฟังธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละเชื่อพระพุทธเจ้าไหมตอนเลิกฟังก็ของเราอีกแล้วเรามีอํานาจติดจัดการได้อะไรได้ส่วนภาวนาล่ะภาวนาภาวนาก็บอกเอกรสสะก็รถเดียว ไอ้อะไรรถเดียวก็ตัวนั้นไงสมถะวิปั ส, สนาเนี่ยมีกิจเป็นอย่างเดียวรถตัวนั้นเป็นแปลว่ากิจมีกิจทำกิจอย่างเดียวกันเนี่ยนะทำกิจอะไรก็กิจละกิเลส น, นั่นแหละคือคื อ, คอกิจเดียวหมายความว่าเป็นไปอย่างสม่ําเสมอส่วนถ้าภาวนาดีก็ต้องสัจฉิกิริยาคือการทําให้แจ้งทําให้ประสบประสบกับอะไรประสบกับพระนิพพานทําอริยผลให้แจ้งสังเกตดูนะ่าจะมีคําว่าอะไรบ้างนะ อภินยาปริญญาปะหานะภาวนาสัจฉิกิริยาเออเนี่ยกลายเป็นว่าคือถ้าเรามานิยามล็อกๆอกไว้เฉยเฉยว่าอภิญญาธรรมคือยาตะปริญญาปริญญาธรรมคือตีรณนะปริญญาปะหาตประธรรมคือปะหานะปริญญาเป็นต้นตรงนี้ดันยกเอามาหมดเลยคำว่าปะหะคาว่ารู้ยิ่งก็ยกเอาคำว่าอภินยาปะ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 บอกเบื่อแล้วเกินอ่านปฏิสัมพิทา บ, บอกเบื่อแล้วเกินภาษารีบทพูดเข้าใจยากถ้าแปลว่าอย่างไนั้นนะโดยสภาวะเบื่อแล้วเกินพระธรรมก็ บ, บอกเบื่อแล้วเกินพระพุทธเจ้าท่านเทศแต่เรื่องลึกซึ้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยับได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าทําตัวห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะถ้าไกลพระพุทธเจ้ า, าอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้พญามารถ้าไกลพญามารเมื่อไหร่ก็ใกล้พระพุทธเจ้ า, าดูว่าเราเป็นบุตรของใครอนะต่อไปก็มาดูวัฏะขันธ์ธาตุอายตนะนี่เป็นลักษณะของวัฏะใช่ไหม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 เพราะการเจริญกระสินนี้ถือเอาสัญญาเป็นหลักถ้าคิดให้มันเป็นสีแดงไม่ยากแต่รักษาสีแดงคิดแต่เรื่องสีแดงตลอดวันตลอดคืนเ น, นี่ยนี่ยากเป็นสัญญาขันก็บริหารยากสังขารขันยิ่งยากเขาอีกนะสังขารขันโดยเฉพาะสติสัมปชัญญะฮิริโอตตะกะพวกนี้บริหารยากมากแต่ว่าวิญญาณขันยิ่งบริหารยากไม่รู้บริหารให้มันอยู่ทวารไหนดียากมากนะวิญญาณเนี่ยมันหลอกมิหน่าเขาจะได้อาวิญญาณหลอกกันนะแล้วก็หลอกให้เห็นบ้างหลอกให้ได้ยินบ้าง เมื่อไหร่นะจะรู้สึกว่าเนี่ยตอนเห็นเนี่ยนี่ถูกหลอกอยู่นะวิญญาณมันหลอกอยู่มายากลมันเล่นอยู่นะแล้วยินเสียงโอ้ยมายาเอ้ยเล่นกันจริงหลอกกันจริงๆเนะี่ยวิญญาณจะได้หลอกได้หลอนอีกเลยไงนะีง่อันขันทานังขันทะขันท ะ, นทะแปลว่ากองเนี่ยนะกองเพราะว่ามันเป็นกองทั้งอดีตอนาคตเป็นต้นขณะเดียวกันมันก็คือตัวมหาภาระแล้วตัวมันเองก็บีบคั้นปีลนะณะบีบคั้นสันตาปะเ ร, ร้าร้อนวิปริณามะ แปรเปรือนเป็นตน้นส่วนธาตุล่ะธาตุก็มีความเป็เปเปนเป็นกองอะนะท่านบอกว่าธาตุตัวนั้นต้องแปลว่าศูนย์สินะแปลว่าว่างนะตรงนั้นทําไมมันกองไปหมดก็ไม่รู้ทั้งสามกองไปหมดขอโทษนะจริงๆไม่ใช่กองนะต้องเป็นธาตุแปลว่าว่างคือว่างก็คือศูนย์นั่นแนะ่ะนะธาตุนี่แปลว่าศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนศูนย์จากอัตตาหรือธาตุแปล ว, ว่าส่งไว้ก็ได้ ส่งไว้ซึ่งอะไรส่รงไว้ซึ่งกองทุกเนี่ยนะหรือธาตุนี่แปลว่าตัวจัดแจงทุกก็ได้ทุกทั้งมวลในโลกถ้าไม่มีธาตุนจะมีทุกไหมไม่มีหรอกไอตัวตัวธาตุนี่แหละมันตัวจัดแจงกองทุกสารพัดชนิดมั้นธาตุแปลว่าจัดแจงกองทุกต่างๆก็ได้อายตนะก็แปลว่าบอกเกิดหรือว่าต่อต่ออะไรต่อเขตแดนของตนของตนตาเนี่ยถ้าต่อกับสีเพื่อให้เกิดอะไรจิตเจตสิกหูกะเสียงต่อกันให้เกิด เจตเจตสิกเจตเจตสิกมันมีทั้งกรรมวิบากและกิเลสที่เกิดขึ้นเลยนะก็เลยเป็นไปอยู่อย่างนี้ก็เลยต่อกันเชื่อมเชื่อมเชื่อมจนวัตฏะมันยาวทั้งขันธาตุอายตนะเหล่านั้นก็คือสังฆตธรรมคือสังฆตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมขันก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งธาตุอายตนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดถูกปัจจัยปรุงแต่งเพราะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อของ มารเนี่ยนะเป็นเป็นอมิตรใช่ไหมสิ่งที่เป็นอมิตรสิ่งนั้นเนี่ยเป็นภัยเพราะน่ากลัวสิ่งที่เป็นสังคตะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าตรงกันข้ามไม่ต้องปรุงแต่งแล้วล่ะเป็นอสังฆตาธรรมเป็นนิรามิตไม่มีไม่เป็นอมิตรไม่เป็นเหยื่อของพยามารขณะเดียวกันสิ่งนี้ปลอดปลอดภัยปราศจากภัยเกษมฉั้นอันนั้นเป็นลักษณะของอสังคตาธรรมเอผู้ที่ มีอภิญญาคือรู้ยิ่งปริญญากําหนดรู้ปหานะการและภาวนาการเจริญสัจคีริยาทำให้แจ้งก็คือทําให้แจ้งขันธาตุอายตนสต ะ, ะสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเพื่อจะได้ทำที่สุดแท่งทุกเนี่ยนะมันคําสอนเนี่ยจบลงที่อสังคตะธรรมใช่ไหมจบลงที่ไหนถ้ายิ่งบท บ, บทไทาทาเดี๋ยว่ามีอมตะอมตะนิพานเป็นที่สุดยังลงสู่อมตะนิพานเนี่ยนะ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 ทำมาบทนี้ก็มีถ้อยคําคเหล่านี้อยู่ในนั้นเยอะนะตรงไหนที่อ่านแล้วอธิบายไม่ได้เลยนั่นแหละยักๆ์นั่นแหละเป็นธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเลยนันทส า, ารีบทก็คัดเอาแต่คำยักยากทั้งหลายมารวมรวมรวมๆมกันไว้เป็นคํายากที่ที่สมัยนั้นเนี่ยนะนักนักเพ่งเขาเพ่งจริงๆนะก็คิดคําเดียวคิดเป็นสิบสิบปีเขาไข้ครควญเขาวิจัยเขาเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละนั้นถ้าใครไปศึกษาชีวิตจิตใจของของผู้ที่สแสวงหาอมาตะ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 แล้วเวลานั่งสมาทานว่ายังไงเนื้อเลือดในสรีระจงเหงื่อแห้งไปจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเท่าไม่บรรลุไม่ลุกเนี่นะพระองค์ชมนะบอกให้ไปคิดอย่างนี้แหละให้คิดไวให้มากๆแล้วพระองค์ก็สมาทานแบบนี้เหมือนกันนะคืนสุดท้ายที่บรรลุพระองค์ก็สมาทานแบบนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีแล้วทุ่มเทเอาชีวิตเขาเรียกว่าปหิตตัดโตมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพี้ยนไข้ควรสิ่งเหล่านี้แหละ เนี่ยเพ่งคำท้าต์ขันอายตนา ส, ต า, าสังคตะอสังคตะเพ่งให้เห็นวันนี้อภินยยะนี้ปริญยยะปหานะภาวนาสัจจิกิรยิยาเข้าใข่ครวญจริงๆเลยเนะนี่เป็นลักษณะของของพื้นฐานรวมๆของคนอินเดียทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้แต่สมัยนี้ไม่มีปริยัดแบบสมัยก่อนสมัยก่อนมีคําสอนของพระพุทธเจ้าพอมาสมัยหลังๆเนี่ยเจอเอจ้ า, าศาสดราหลายคนบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้า พอเบียดเบือนในที่สุดเขาคําสอนก็มีบางท่านกล่าวว่าถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ในอินเดียในะอินเดียจากจากคนละอย่างเลยจากจากปัจจุบันเนี่ยแต่เนื่องจากว่าคําสอนนี่หายไปคนที่เขาค้นหาสัจจะนี่เขาค้นหานะมันก็น่าค้นหาเหมือนกันนะชีวิตที่มันชุลมุนวุ่นวายงั้นก็อยากค้นหาตัวความจริงอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าถูกลัดที่บางลัดที่ครอบงําเข้าก็เลยหมดสภาพเลยเนี่ยนะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องจิต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 โอมันเหมือนอมตะจริงๆนะจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรขั้นจิตเนี่ยจะเลิกจะถูกขั้นต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อจุติจิตของพระอรหันเกิดนั่นแหละจึงจะเลิกเพราะฉะนั้นจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งนะอย่างเช่นแม้กระทั่งอ่ะเกิดในอสัญยีสัตว์ห้าร้อยกลับนะก็ยังชื่อว่าเป็นอนันตรปัจจัยยังเป็นอนันตรปัจจัยอยู่เลยหมายความว่าก่อนที่จะปฏิสนธิใน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 ใช่ไหมจริงๆมันปวดตลอดไหมถ้าปวดตลอดมันก็เที่ยงอะสิแต่ไออาวัชชนะเนี่ยมันบ่อยจนเหมือนกับตลอดเวลาเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟเนี่ยนะอย่างหลอดนิออนเนี่ยจริงๆมันไมไ่สว่างตลอดเวลานะมันก็ติดๆดับๆแต่ว่ามันความรวดเร็วมันก็เลยเหมือนกับตลอดเวลาจิตก็เหมือนกันเนี่ยนะจิตนี่อ้อะไรจะเร็วเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วแต่ขนาดนั้นก็เหมือนกับว่ามันเอมีบางแห่งก็บอกว่าเหมือนกับอะไรนะแกว่งทูบในที่มืดนะ่ะ เหมือนก็มีวงกลมอยู่จริงๆอ่ะนะทั้งๆที่ไม่มีมันจิตนี้จึงไม่มีอะไรขั้นเลยสืบเนื่องยาวสืบจากทวารหนึ่งสู่ทวารหนึ่งสืบจากอารมณ์หนึ่งสู่ อ, อารมณ์หนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปสู่ อ, อีกเรื่องหนึ่งไห่มาถ้ามันเป็นรูปธรรมสงสัยมักองพเนจรทึกไปหมดเลยนะดีแล้วที่มันเป็นนามธรรมมันจะได้ไม่ต้องเกลืองที่เก็บมันเป็นรูปธรรมเนี่ยไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนเลยนะเขาบอกว่าถ้ามันหนึ่งจิตหนึ่งเม็ดถ้ามันเท่ า, มาเมล็ดทรายนะ เนี่ยของเราทั้งหลายล้นโลกหมดแล้วเนี่ยที่มานั่งเรียนธรรมะเนี่ยนะล้นโลกหมดแล้วแต่ถ้าเทียบกับอากูศนมันก็ยังไม่เท่าอีกนะอากูศนเนี่ยมันใช่ล้นโลกล้นจักรวาลล้นไม่รู้กี่ล้านจักรวาลเนี่ยนะทีนี้ต่อไปถ้าจิตที่ปฏิบัติระดับสูงเนี่ยต้องเป็นจิตที่ออกใช่ไหมโคตรภูออกจากอะไรออกจากนิมิตออกจากนิมิตคือสังขารนิมิตโคตรภูจิตเนี่ยนะออกจากนิมิต มรรคจิตนี่ออกจากอะไรออกจากนิมิตและปวัตฏะก็คือออกจากสังขารนิมิตออกจากความเป็นไปในวัฏฏะ ส, สภาวะที่ออกแห่งจิตหมายถึงว่าวิวัตตนะเนี่ยหมายว่าเขาสลัดไปในพระนิพพานเนี่ยนะสลัดออกไปในพระนิพพานมีจิตน้อมไปในพระนิพพานเนี่ยนะหลีกไปสู่พระนิพพานเหมือนกันเถอะวิวัตตนะเนี่ยแปลว่าหลีกก็ได้หลีกไปสู่พระนิพพานสภาพที่เป็นเหตุแห่งจิตเนี่ยนะ จิตนี้จะต้องมีเหตุใช่ไหมจิตทุกจิตที่ไม่มีรากเรียกว่าเหตุตุกจิตจิตที่ไร้รากแต่โดยทั่วๆไปแล้วจิตนี้จะต้องมีรากคือเหตุตุปัจัยเหตุตุปัจจใจนี้ถือว่าเป็นรากแก้วของความคิดจิตที่ไร้รากไร้รากแก้วก็คือเหตุตุกจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นเหตุของจิตก็คือเหตุตุปัจจัยเนี่ยนะส่วนที่เป็นปัจจัยแห่งจิตน่ะ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 สภาพที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยนะก็คือจิตต้องมีรูปมีเสียงมีกลิน่นมีรสมีโภธาภาพรูปกับสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็จิตเนี่ยท่องเที่ยวไปของจิตเนยที่ยวไปไหนบ้างจิตเรานั่งอยู่ตรงนี้มราเที่ยวไปไหนบ้างแล้วมานั่งฟังธรรมนี่อย่าคิดว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะไม่หรอกอไปเรื่อยมันก็เลยจิตมันเที่ยวไปเรื่อย มันไปยังไงอ่ะมันก็ไปรับอารมณ์บ้าง ร, รับอารมณ์ใกล้บ้างรับอารมณ์ไกลบ้างรับเรื่องนั้นบ้างรับเรื่องนี้มันก็ที่ไปเรื่อยเพราะจเที่ยวไปของจิตไปของจิตเนี่ยจิตมันไปมันเรื่อยเนี่ยนะรับเรื่องนั้นปนกับเรื่องนี้เรื่องอดีตบั่งหวังอนาคตมั่งเนี่ยฟังธรรมยังไม่จบมันคิดเรื่องเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยนะนก็วางแผนกลับแล้วเนะนะี่ยเมันก็จิตนี่มันก็เที่ยวไปเรื่อนยนั่นแหละ ส่วนจิตที่นําไปยิ่งเนี่ยนะสภาวะที่นําไปยิ่งแห่งจิตก็คือมนาสิการอารมณ์อื่นจากอารมณ์ที่รับไว้นะเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่ไปเรื่องหนึ่งไเรื่อยไม่รู้จะเบื่อหรือไงเลยนะไปเรื่อยส่วนผู้ที่ปฏิบัติจนถึงกับเบื่อหน่ายบอกออกอย่างเดียวนิยานิกะบอกออกแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอแล้วนะออกจากสีเสียงเปลี่ยนรถโพธิภะเป็นต้นน้อมไปสู่อสังขตาธรรมใช่ไหม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 ปันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตนะมีสิบห้าข้อปันใครที่รู้เรื่องจิตจริงๆเน่ยนะรู้ความเป็นไปแห่งจิตตลอดสายดังที่กล่าวมาแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยเป็นการทําปริญญาเรื่องจิตจริงๆอีกวิธีการหนึ่งแต่ถ้าในจิตตานุปัสสนามีจิตสิบหกใช่ไหมจิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจาโทสะเป็นต้นอันนั้นอีกในหนึ่งนะนี่อีกในหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยนะมันเรื่องจิตอย่างเดียวนี่ก็เรียนกว่าจะจบก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะใครที่รู้เรื่องจิตจริงๆก็นู่นแหะ เป็นพาหันนั่นแหละเป็นพาหันนี่จึงจะจบวิชาเรื่องจิตจริงๆเพราะคนที่จบเรื่องจิตจะต้องดับจิตได้ฆ่าจิตได้คนที่เหลือนี่กําลังอ๊รู้จักจิตน้อยไปเนี่ยนะเนี่ยทำเป็นหรรัวเราะเดี๋ยวก็จิตร้องให้ก็เกิดมาอีกนะก็ <c oughs> จิตนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละมันแกล้งบอกอ้ดีใจอีกพักหนึ่งก็เสยียใจอีกแล้วทำเป็นช่ยช้อยอีกพักหนึ่งก็ดีใจเดี๋ยวก็ทางตาเดี๋ยวโนอนจิตไปเกิดที่ไหน ใครคันใครจะคิดที่อื่นอีกแล้วอย่างเงั้นฟังอยู่ดีๆนะมันไปเมื่ออีกแล้วอย่างเงี้ยมันจิตมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนธรรมะต่อไปนะว่าว่าพักก่อนดีกว่าในบมาดูนต่อจากเมื่อกี้นี้ว่าข้อสิบสองที่บอกว่าคําวิสัชนาสี่สิบสามข้อโดยเชื่อมเอกัตะศัพท์ทุกแห่งเอกัตะนี้ อัตกระถาให้แปลว่าในความที่มีอารมณ์เดียวมันอาวัชนะในอารมณ์เดียวนี่คือธรรมชาติของจิตนี่มันก็รู้ทีละอารมณ์อยู่แล้วละนะสภาวะที่รู้แจ้งแห่งวิญญาณสภาวะที่รู้ชัดสภาวะที่จำได้สภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นพวกนี้ก็เหมือนกับข้ออะไร เหมือนกับข้อสิบเนี่ยนะไม่ไม่ต่างจากข้อสิบอะไรแต่เพิ่มคำว่าเอกตะเข้ามาเพิ่มคำว่ามีอารมณ์เดียวเนี่ยนะเหมือนกับข้อสิบเลยคล้ายคล้ายกันส่วนสภาพที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นอันนี้ก็เป็นอะไรปกติ้าก่อนหน้านี้อธิบายเป็นทุติยชานนะส่วนสภาพที่เนื่องเนื่องกันเนี่ยนะอุปนิพัทธะเนี่ยนะก็คือความเกี่ยวเนื่องกันความสัมพันธ์กัน ในความที่มีอารมณ์เดียวอันนี้ก็อธิบายลักษณะของจิตเจตสิกนั่นแหละส่วนสภาวะที่เล่นไปเล่นไปด้วยปถมชาญผ่องสายด้วยทุติยชาญตั้งมั่นด้วยตติยชาญหลุดพ้นด้วยจตุทชาญส่วนการพิจารณาเห็นว่านี่ละเอียดนเนี่ยนะก็เป็นอนุภาพของการพิจารณานั่นเองพิจารณาว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ละเอียด ส่วนใครที่เจริญกรรมฐานจนมีวสีเช่นทําให้เป็นดังยานเนี่ยนะยานีกตะยานีกตะเนี่ยแปลว่าทําเป็นให้เหมือนยานก็หมายความหมายถึงความชํานาญพิเศษของผู้ที่ได้สมาธิหรือมีความชํานาญในการนึกนึกจะเข้าฌานที่ไหนก็ได้นึกถึงฌานได้โดยที่ไม่อะเหมือนกับชํานาญในการนึกบางอย่างเนี่ยนะนึกคล่องไปหมดเลยส่วน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 ส่วนสภาพที่ประชมก็คือจิตเจตสิก ต, ตั้งไว้ชอบประชมไว้ในอารมณ์เดียวส่วนสภาพที่อธิษฐานก็คือจิตนี้ครอบงำอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นจิตที่มีกําลังเป็นจิตที่ตั้งมั่นสภาพที่เสพอาเสวนาเนี่ยนะอาเสวนาก็คือเสพโดยเอื้อเฟื้อแห่งสมถะและวิปัสนาสภาพที่เจริญก็คือภาวนาพระหุลีกรรมะก็คือทําให้มากๆเป็นที่รวมด้วยดีก็คือสุสมคตะเนี่ยนะสุะสมุ ข, ขะตะ ก็คือรวบรวไมไว้ดีแล้วก็สภาพที่หลุดพ้นก็คือสุวิมุตตะสุวิมุตติก็คือความหลุดพ้เนะเมตต า, านะยานีกตายะวัตถุกตายะเป็นตน้นที่ใครเคยสวดอา น, นิสง์ของเมตตาอานิสง์ของเมตตาสิบเอดอย่างก็ลักษณะนี้อันใครที่เจริญกรรมฐานได้มากจนตั้งมั่นซ่องเสพภาวนาทาให้มีขึ้นเสพเอื้อเฟื้อทาด้วยดีจนหลุดพ้นจาก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 อันนันอนุพุชนะตรัสรู้ตามด้วยสกทาคามิมัจปฏิพุทธชนะตรัสรู้เฉพาะด้วยอนาคามิมัจสมพุทธชนะก็ตรัสรู้พร้อมด้วยอรหัตมัจอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองบอกตรัสรู้ด้วยวิปัสนาตรัสรู้ตามด้วยโสดาปฏิมัจตรัสรู้เฉพาะด้วยสกทาคามีมัจอนาคามีมัจและอรหัตมัจตรัสรู้พร้อมด้วยสามัญญผลทั้งหลายอนนั้ด้วยสามัญญผล พวกนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่งหลายเพราะผู้ที่ปฏิบัติอย่างไรก็ใจก็มุ่งการตรัสรู้ใช่ไหมมุ่งการตรัสรู้มุ่งการตรัสรู้ตามมุ่งการตรัสรู้เฉพาะมุ่งการตรัสรู้พร้อมถ้าบางคนไม่เข้าใจคําว่าตรัสรู้คําว่าตื่นก็แล้วกันโพธนะเนี่ยนะโพธนะก็คือความตื่นใช่ไหมตื่นด้วยอะไรโสดาปิมัคตื่นตามด้วยสกอาคามิมัคตื่นเฉพาะด้วยนาคามิมัคตื่นพร้อมด้วยอรหัตตมัคนั่นเอง แต่ยิงโพธนะโพทะตัวนั้นก็แปลว่ารู้ก็ได้เนี่ยนะตรงนี้นิยมแปลว่าตื่นแปลว่าตื่นหรือแปลว่ารู้ก็มุ่งโดยอัธยาเหมือนกันคือมุ่งอธิบายอริยมรรคเพราะอริยมรรคเนี่ยตื่นตื่นตามตื่นเฉพาะตื่นพร้อมไม่ใช่ตื่นตูมถ้าตื่นตูมไปเลยตื่นตูมก็คือเอะวอยใช่ไหมเหมือนกระต่ายตื่นตูมงั้น่ะแต่นี่ไม่ใช่นี่หมายถึงตื่นด้วยการตรัสรู้ ส่วนปฏิโพส่วนโพธิปัจฉิยธรรมเนี่ยนะเช่นไปในฝกัฝกฝ่ายแห่งความตรัสรู้ก็เป็นโสดาปฏิมัติเนี่ยนะตรัส ร, รู้ตามก็เป็นสกท า, าคามีมัติตรัสรู้เฉพาะก็เป็นอนาคามีมัติตรัสรู้พร้อมเนี่ยนะก็เอาอุปสรรคขึ้นมาอนุอุปสรรคก็เป็นสกท า, าคามีปฏิอุปสรรคก็เป็นสกท า, าคามีเป็นอนาคามีสังสังอุปสรรคก็เป็นอรหัอนาตามัติเนี่ยนะ ส่วนต่อไปว่าสภาวะที่สว่างอะไรสว่างวิปัสนาปัญญานี้ธรรมชาติที่สองสว่างถ้าสว่างขึ้นก็เป็นสกะโซดาปฏิมัคสว่างเนืองๆก็เป็นสกะทาคาเมมัคสว่างเฉพาะก็เป็นอนาคามเมมกอนาคาเมมัคสว่างพร้อมก็เป็นอรหัตตมัคเป็นเรื่องของความตื่นความสว่างความตรัสรู้หมดเลยใช่ไหมไม่มีคําว่าซึมซึมบู้บวบวับอะไรตรัสรู้ไม่มีใช่ไหม สมัยใหม่ทําไมไม่รู้บรรลุด้วยการบูบๆวบยวบยังไงก็ไม่ทราบเพราะนนี้ไม่ใช่แน่นอนเป็นเรื่องของความตรัสรู้เป็นการรู้พร้อมรู้เฉพาะมีการตื่นตื่นตามมีการสว่างขึ้นก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าจักรโคได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม จักคุงอุทธาปาธิยานังอุทธาปาทิปัญญาอุทปาธิวิ ช, ชาอุทธาปาทิอาโลโกอุทธาปาทิเนี่ยนะก็คือจักคุปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างญาณนะได้เกิดขึ้นแล้วแก เ, เราว่านี้ทุกเนี่ยนะมันลักษณะนั้นเป็นเรื่องของการตรัสรู้ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็สาคัญผิดไปไม่ใช่แน่นอน ส่วนเกี่ยวกับอริยมรรคเพิ่มพิเศษว่าอริยมรรคนี่ก็คือสว่างใช่ไหมสว่างยังไงเพราะอริยมรรคเกิดแก่บุคคลใดทําบุคคลนั้นให้สว่างสวัยภัยโรธและรุ่งเรืองนี้หมายถึงสว่างหมายถึงเห็นอริยศาสตรนั่นแหละเพราะอริยมรรคนี่สว่างสวยภัยโรธและรุ่งเรืองนะส่วนอริยมรรคนี่ให้รุ่งเรืองท่านบอกว่าประพัฒสอนนะวิโรจนะก็คือประพัฒสอนหมายถึงว่าอริยมรรคเวลาเกิดขึ้นนั้นผุดผ่องอย่างยิ่ง แต่ก็พองไสนิ่งใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าไสไสนิ่งนิ่งสงบสงบลึกๆนะนะแต่อย่างนั้นก็บางคนก็ไปถือว่าเป็นอริยมรรคอีกนะนะบางคนก็ไปทํำสมาธิบอกว่านิ่งไสภายในอ่ะนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยใช่ที่ไหนอ่ะว่าเอาเองแค่ะนั้นแหะส่วนอริยมรรคนี้ทําให้กิเลสเล่าร้ารอนอะนะกิเลสนี่ต้องแห้งราคะนี่แห้งลงอะนะเยื่อใหยในวัตฏะลดลง ความเครียดก็ลดลงเลยนะมีแต่ความสุขเลยไม่ใช่กูศนแห้งหมดเหลือแต่อกูศนอันนี้ไม่ใช่แน่นอนอนะ่ะเพราะฉะนั้นทวนนี้ทําให้กิเลสเดือดร้อนเนี่ยนะสันตาปานี่กิเลสอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าสนิมที่ที่ออกจากทองได้หมดเลยเนี่ยทองจะเป็นยังไงก็กลายเป็นทองผุดผ่องฉันใดอริยมรรคเวลาเกิดขึ้นก็ฉันนั้นทํากิเลสให้เล่าร้อนกระเทาะ อ, ออกไปหมดก็ฉันนั้นเพราะนั้นอริยมรรคนั้นไม่มีมนทิน อมละเนี่ยนะไม่มีมละคือมนทินนั่นเองหมายถึงโสดาปฏิมร์หรือมร์ของภาษาวกส่วนอริยมร์ปราศจากมนทินเนี่ยวิมละวิมลนะนะวิมลก็คือหมายถึงสกทาคามีมร์อนาคามีมร์หรือมร์ของพระปัจเจกนี่เป็นวิมลวิมละเนี่ยนะส่วนหมดมนทินเลยก็คือนิมละก็คืออะอุปสักวิอุปสักแล้วก็นิอุปสักเนี่ยนะ ไม่มีมนทินปราศจากมนทินหมดมนทินพันอารยมรักนั้นสงบอริยมรัคนี้ทําให้กิเลสเนี่ยสงบระงับหรือว่ากิเลสเนี่ยระงับหมดเลยที่จริงอารยมรักต้องบอกว่าสมยะตัวนั้นน่าจะแปลว่าตรัสรู้เนี่ยนะอริยมรัคนั้นเป็นธรรมชาติที่ตรัสรู้อริยมรักษนั้นเป็นวิเวกเพราะทําหน้าที่สมุดเฉ ท, ทวิเวกอารยมรักประพฤต์ในวิเวกคือจิตเป็นจิตที่น้อมไปในนิพพานอันเป็น นิสระวิเวกอริยมรรคนั้นคลายจากกำหนัดคลายกำหนัดด้วยสมุทเฉธานิโรต์คลายกำหนัดด้วยสมุทเฉทวเาวิราคะประพฤติในท่านิพานคือความคลายกำหนัดนี่นะเพราะอาริยมรรคนี่ตัวเขาเองเป็นสมุทเฉทาวิราคะใช่ไหมนิพานนั้นเป็นนิสรณะวิราคะหรือ น, นิสระวิเวกอริยมรรคนั้นเป็นสมุทเฉธานิโรตนิพานนั้นเป็นอะไร เป็นทุกขนิโรธเนี่ยนะเป็นทุกข์นิโรธพราะนารยมรรคนั้นอ่ะเป็นตัวที่ดับทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็น้อมไปประพฤติไปในพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์นารยมรรคนี้เป็นที่ปล่อยโวสักขะอนะสังเกตดูนะวิเวกวิราคานิโรธะโวสักขะนะเหมือนเรียนเมื่อวานเลยใช่ไหมเหมือนเรียนเมื่อวานนั่นแหละ ว, วิเวกออาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ เพราะถ้าปฏิบัติได้อย่างแท้จริงก็จะวิเวกอย่างนี้วิเวกด้วยสมุทเฉทวิเวกวิราคะด้วยสมุทเฉทวิราคะนิโรธะด้วยสมุทเฉทะนิโรธแล้วก็ปฏินิสักขะก็คือปริจาคฆะสละกิเลสปักขันธนะแล่นไปสู่พระนิพพานภาวะที่หลุดพ้นก็คือสมุทเฉทวิมุตต์นั้นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็โอนมหาธรรมะเหล่านี้นะพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมะ การเจริญสติปัฐานเป็นต้นเป็นอนุธรรมะเรยยินคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติไหมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมถ้อยคาอธิบายเหล่านี้เป็นของโลกุตระธรรมล้วนๆดังนั้นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องโอนไปเพื่อธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นโลกุตระธรรมงนั้นธรรมะเหล่านี้ควรเอามาทําปริญญาเอามาใคร่ครวเน่ยนะสมาทานอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งต้องแพงตลอดธรรมะเหล่านี้ให้ได้วันไหนเนาะ วันที่ทําละกุโสธรรมบริบูรณ์เต็มเปี่ยมตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่เหมือนกันนะนี่ยกลังรวบรวมอยู่ต่อไปเป็นอิทธิบาทเนี่ยอทธิบาทเป็นอิทธิบาทว่าอย่างที่กล่าวว่าอิทธิบาทเนี่ยถ้าตอนเป็นโลกิยะเป็นอธิบดีใช่ไหมถ้าขณะอริยมรรคเนี่ยอิทธิบาททั้งสี่ประชุมกันเช่นว่าฉันทะเนี่ยนะหมายถึงกตุกรร ม, มยตาฉันทะความต้องการเพื่อจะทํากตุกรร ม, มยตตาฉันทะ ส่วนฉันท่านี่เป็นมูลก็หมายถึงว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเอาฉันทะเป็นประธานเป็นศรีรษะอย่างที่เราเรียกว่าเป็นคนมีศรัทธานําหน้าในการปฏิบัติธรรมนั้นลักษณะของคนมีศรัทธานั่นแหละคือคนมีฉันท่าคนมีฉันทะคือคนมีศรัทธาในเนติปรกรณ์อธิบายฉันทะเป็นศรัทธาหรือว่าศรัทธานั่นแหละเป็นฉันทะส่วนฉันท่นั้นเป็นบาทเพราะเป็นบาศเป็นที่อาศัยของสหชาตาิธรรม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 ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นเห็นก็ด้วยปัญญาเพราะนั้นการเจริญโดยยกเอาฉันท่เป็นประธานก็เพื่อให้ฉันท่เป็นหัวหน้าให้ฉันท่เป็นบาตให้ฉันท่เป็นประธานอนะเพื่อให้ฉันท่เนี่ยเป็นบาตให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะนั้นอันนี้ยกผู้ที่เจริญฉันท่เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นอธิบดีในการปฏิบัติธรรม ก็บางคนนี่เขามีศรัทธามากยกศรัทธาเป็นหัวหน้าใจเขาผองไสเนี่ยนะพวกนี้ไม่ค่อยเลิกรา ง, ง่ายๆเนี่ยนะพวกนี้ทําได้อะไรนะทําแบบคนมีใจรักเนี่ยทำด้วยความสุขจริงๆพวกนี้เป็นพวกสุขขาปฏิปทาเนี่ยนะปฏิบัติอย่างมีความสุขอาศัยว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาน้อมใจเชื่อเอาศรัทธาเป็นประมาณแต่ขณะเดียวกันศรัทธาของบุคคล น, นี้หมายถึงว่าศรัทธาในฐานะที่มั่นคงนะคือพระรัตนะไตร ส่วนบางท่านนั้นเอาวิริยะเป็นเป็นใหญ่ใช่ไหมมีวิรยิยะวิริยะนั้นลักษณะของเขาคือปัจขะหะประคองการปัจขะประคองดังั้นวิรยิยะเอาวิริยะเป็นมูลในการเริ่มภาวนาเอาวิริยะนี้เป็นบาตเป็นที่อาศัยของกุศลธรรมทั้งหลายเอาวิริยะนี้เป็นอธิบดีเอาอาวิริยะเป็นอธิบดีเอาวิริยะเนี่ยเป็นที่สำเร็จเพราะว่าเอาเป็นบาต น, น, นะนะ พอมีวิริยะก็น้อมไปด้วยศรัท ธ, ธาประคองไว้ด้วยความเพียรตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาบรรทัดห้าคำสุดท้ายนี่จําไม่เลยว่าอินทรี่ห้าง่ายๆนะนะประคองเอ่อขอไปน้อมไปก็อธิโมกเป็นชื่อของศรัท ธ, ธาประคองก็เป็นชื่อของวิริยะตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญา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 พวกนี้ยกวิริยะเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการปฏิบัติธรรมเพราะหัวข้อธรรมะเหล่านี้นะถ้าใครไปเรียนปัตถานี่จะเข้าใจได้ไม่ยากนะักเพราะวิชาปัตถาก็ยังเอาหัวข้อเหล่านี้ไปอธิบายถ้าจะอธิบายวิริยาที่ปฏิได้ดีก็ต้องเอากุธรรมะเหล่านี้ไปจำแนกส่วนต่อไปจิตตะจิตตะก็คือจิตจินตนะจินตนะก็คือคิดอ่นะจินตนาการใช่ไหมอาการของคนที่มีความคิดนั่ง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 ส่วนปัญญาบ้างปัญญาปัญญาปัญญาก็คือวิมังสาณัอุปริขาแปลว่าการเข้าไปพิจารณาการไขทรวนอย่างละเอียดละอทีท้วนภาวะของผู้มีปัญญานั้นเอาปัญญาเป็นมูลเอาปัญญาเป็นบาศเอาปัญญาเป็นประธานเอาปัญญาเป็นคุณเครื่องทําให้ประสบความสําเร็จเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาอีกครั้งพวกนี้มีปัญญาเป็นอธิีบดีมีปัญญาเป็นหัวหน้าในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย ของเราทั้งหลายนี้เอาอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิว่าไปเรื่อยนะมีฉันทะวิริยะจิตตะวินมังสานะนะดูที่ก็จะเผลอหรือเปล่าฉันทะนะบางคนก็ปฏิบัติทำด้วยฉันทะบางคนด้วยวิริยะบางคนก็ด้วยจิตเป็นใหญ่บางคนก็ปัญญาเป็นประธานเป็นหัวนหน้าเขามีปัญญาเป็นอธิบดี